สาธาชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้จะพูดเรื่องอักขิสูตรในสัตตะกันิบาตอังคุตรในกายมีข้อความมันเป็นเบื้องต้นว่าเมื่อบูเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่ประเทตะวันอันเป็นนรามของอนาถบิน ท, ทิกาเศรษฐีในเมืองสาวัตถี ท่านดุกตะพราม์ได้ทำพิธีบูชายันได้เสียมพิธีบูชายันด้วยมหมหายันด้วยการนำสัตว์อย่างละห้าร้อยมาจะเสียมไว้เพื่อจะให้เกิดความมั่นใจหรือเพื่อจะเทียบเคียงความเข้าใจของตัวเองกับพระพุทธเจ้ากันตามท่านก็ไปฟ้าพระพุทธเจ้า ะกราบทูลว่าท่านได้สดับมาว่าการเตรียมไฟเพื่อบูชายันในการจุดไฟขึ้นเพื่อบูชายันนั้นเป็นการกระทาที่มีผลมากมีอานิสงส์มากพระเจ้ากระรับสั่งว่า เราก็สะดับมาอย่างนั้นเหมือนกันพรามก็กราบทูลอีกครั้งหนึ่งก็ความเดิมพิเจ้าก็รับสั่งข้อความเดิมพรามก็ตีครุ่มมาว่าความเห็นของแกนั้นตรงกับพระพุทธเจ้าพอดีพระอานนท์ท่านนั่งอยู่ด้วย ท่านก็บอกว่าคุณจะไปถามอย่าไปาอ ย, ไ ป, อยไปพูดอย่างนั้นเด็ดแล้วพูดถึงว่าได้ยินข่าวคราวมาผู้เจ้าก็ต้องตอบว่าได้ยินมาอย่างนั้นเหมือนกันันมือต้องการทราบอะไรก็ให้ถามตามตามที่ตัวต้องการจะถามก็พูดง่ายว่าตั้งคบถามไม่เป็นเน่ยนะคือไปบอกว่าได้ยินมาว่าการเตรียมสัตว์ด้วยการจุดไฟเพื่อบูชายัญ เป็นการกระทำที่มีผลมากงานนี้ส่งมากถามว่าผู้จ้าได้ยินมาอย่างไรก็ถามได้ยินมันก็ได้ยินมาอย่างนงั้นนี่ได้เรียกเป็นการตั้งคำถามไม่เป็นเมื่อพระนรนทนแนะวิธีให้อุกตะพราหม์ก็กราบทูลถามว่าที่เขาได้ยินมาอย่างเนี้ย าการเตรียมไฝบูชายันและการจุดไฟบูชายันเป็นการกระทําที่มีผลมากมีอานิสงส์มากนั้นจริงหรือไม่พระพุทธเจ้ารับสั่งว่าไม่จริงหรอกเพราะจริงแล้วเป็นการประหารสัตว์ทั้งทางกายทั้งทางวาจาทั้งทางใจมาเริ่มถึงที่ความคิด จะประกอบวิธีบูชาญาณโดยการฆ่าสัตว์ต่างๆตามความเชื่อถือบาปนันก็เกิดขึ้นภายในเจตภายในใจแล้วเรียกว่าวัตกะเจตนาคือเจตนาที่จะฆ่ามันก็เกิดขึ้นภายในใจแล้วก็เป็นการสะสมบาปขึ้นภายในใจ ความคิดของพวกพรามคิดว่าจะสร้างทางเพื่อไปสู่สุกติแต่แท้จริงแล้วก็เป็นการสร้างทางเพื่อไปสู่ทุกติสุกติก็คือสวรรค์นะฮะทุกติก็คือนรกเมื่อพรามไปกล่าวไปบอกไปสั่งให้คนจับสัตว์มา เพื่อเตรียมการบูชายันก็เป็นการฆ่าสัตว์ด้วยวาจาแล้วความบัญินั้นก็เป็นทุจริตผูสั่งไปด้วยจิตคิดจะฆ่าสัตว์ให้ตายก็ให้นามาเตรียมไว้บาการกระทำเช่นนี้ก็เป็นบาปแล้วบาปมันเกิดขึ้นที่จิตหรือเกิดขึ้นที่วาจาแล้วพรามสั่งเช่นนั้นโดยเข้าใจว่า เป็นการสร้างทางแห่งสวรรค์แต่แท้จริงแล้วเป็นการสร้างทางแห่งอาบายคือทุกขจิตเมื่อถึงพิธีบูชา ย, ยันข้าก็จะฆ่าสัตว์เองหรือใช้คนอื่นฆ่าก็เป็นบาปที่เกิดขึ้นจากการฆ่าบาปเกิดขึ้นทางกายแล้ว เพราะความคิดเดล่านี้จะเป็นความคิดผิด แ, แสดงว่าได้เพิ่มบาปขึ้ น, นทางกายท า, ทางวาจาและก็ทางใจเป็นกุศลทุจริตตึงจิตออกไปจากทางของกุศลนำไปสู่ทางของอกุศลโดยข้าจว่าการกระทำนั้นเป็นบุญแท้ที่จึงการกระทำนั้นเป็นบาป เข้าใจว่าการกระทำนั้นเป็นทางแห่งสวรรค์ที่จริงแล้วเป็นการสร้างทางแห่งนรกจากนั้นก็ทรงแสดงเรื่องไฟสามประการที่ควรเว้นอย่างน้อยก็อย่าให้เกิดพผไหม้รุนแรงมากเกิดไปในไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะ ก็เช่นเดียวกับที่สรงแสดงแก่พวกโบราณในแผดินแนวทิตตะปรายาเยะสูเราเห็นว่าพฤติกรรมที่รุนแรงเป็นการสร้างบาปทางกายทางวาจาใจเช่นเดียวกันนั่นนะครับมันเกิดขึ้นจากแรงของกิเลสประเภทในที่นี้ก็สรงแยกเป็นสามประเภทก็คือราคาะโดยเกิดความกำหนัดอยากได้ยินดี ต้องการเพลิดเพลินชื่นชมในสิ่งต่างๆจนบางครั้งก็ทำทุจริตผิดกฎหมายออกไปแล้วก็มีความรุนแรงในการกระทำเหล่านั้นเพิ่มขึ้นโดยลำดับพ็ถูกราคะกลุ่มรุมใจมถูกโลภะกลุ่มรุมใจก็เป็นกิเลสประเทศเดียวกันนะฮะทั้งโลภะทั้งราคะ จะเป็นที่น่าสังเกตว่าตรงนี้ที่จึงพรามเป็นค า, ารวะโดตามปกติที่เราพบพบมานะฮะว่ากิเลสประเภทโลภะถ้าสอนชาวบ้านแล้วจะใช้คําว่าโลภะถ้าสอนพระเลยจะใช้คำว่าหลัะแต่ในที่นี้ตรงใช้คำว่าหลัะก็แสดงว่าพรามนี้เป็นพรามที่ ตรงนเห็นอุปนิสัยบารมีที่จะเข้าใจธรรมะในลึกซึ้งมากยิง่งขึ้นพาตามปกติวิธีชีวิตของพวกพราหมณ์ที่มีฐานะบางครั้ ง, งร่ำรวยในสมัยนั้นเราก็ปนปรือบำรุงบริเอตัวเองด้วยพวกกามาคุณทั้งหลายที่เรียกว่ากามาสุขันนิการนโยกพรเราพูดถึงราคะมันก็เห็นได้ง่ายกว่า ก็เป็นประสบการณ์ในชีวิตประจำวันของท่านรเราเห็นพฤติกรรมของบุคคลทั้งหลายที่ถูกราคะรุ่มรุมใจแล้วก็ประพฤติกระทาไปด้วยแรงของหลักะแล้วก็ปฏิกรรมในลักษณะต่างๆมันเริ่มจะราคะมันก็เป็นโทสะเป็นโมหะได้ทั้งหมดแต่หมายความว่าท้งแสดงแยกออกไป่าเป็นไฟขึ้นมาสามกอง แม้แต่การพิธีบูชายันจริงๆมันก็เกิดจากความอยากที่จะบังเกิดเป็นเทพในสูงสวรรค์มีความเชื่อถือตามที่เขาเข้าใจกันนะั่นะเราจึงมีตำนานในการบูชายันในศาสนาพราหมณ์ที่ว่าถ้าบูชายันได้สิบครั้งเนี่ยมันก็บังเกิดเป็นท้าวศักกะ ก็มีพิธีบูชายันค่าสัตว์กันเป็นจำนวนมากเพื่อแสดงว่าเป็นการทำด้วยราคะแต่มันก็เพิ่มบาปเยอะเพิ่มบาปขึ้นอีกมากมายไกลกองแล้วก็ไม่มีตัวอย่างพยานยืนยันว่าได้ในลักษณะ น, นั้นจริงๆเพราะทรงทรงสองในให้มองเห็นโทษของราคะคือความกำนักความต้องการความปรารถนาที่ ขาดการควบคุมอย่างน้อยที่สุดก็มีการควบคุมเระเจ็นว่าพอถึงภาพปฏิบัติที่จริงก็อยู่ในกรอบของศีลสมาธิปัญญาในชั้นศีลก็คุมราคาไปตั้งแต่ข้อศีลข้อกามเมกับข้อจิ น, นานะฮะพอมาถึงศีลแปดตัวคุมลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น อย่างน้อยที่สุดก็ไปถึงการละเมิดศีลข้ออภรรมก็ข้อทิฏนาื่อจนฝึกปลือจนมีความสำรวมที่เรียกว่าสถารสันโดดหรือปฏิวัติแล้วก็เดินไ่เรียอยพอถึงระดับสมาธิพอจิตใจเป็นสมาธิเบืก็คุมพวกกามฉันทะ ในความว่ากิเลสประเภทกรรมฉันกิเลสประเภทประเภทความกำหนัดรักใคร่ประเภทความโลภมันก็ถูกสยบไว้คือไม่ถึงกับหมดแต่ว่าสยบเอาไว้แต่การต่อไปก็คือโทษสักขีไฝคือโทษสักสงสารมองเห็นโทษเช่นเดียวกันการเบียดเบียนทำลายล้างกันต่างๆในโลก มันเกิดขึ้นจากไฟคือโทสะไฟคือราคะไฟคือโมหะเนี่ยสามกองเนี่ยก็ไม่ว่าจะไปแตะตรงไหนมันก็เจอเรื่องเหล่านั้นทั้งนั้นจนบางครั้งมีความรุนแรงจนถึงฆ่าล้างเผ่าพันุกันอยในสมัยพุทธกาลหรือก่อนพุทธกาลเ่ยพวกประวัติศาสตร์ของพวกอารยันกับพวกอารยันกับมิลาขะกับอารยันกับระยัน ทรบกันเป็นมหายุทธสงครามใหญ่สองเรื่องการรบของทศกัณ์กับพระรามนั้นเป็นการรบระหว่างพวกมิลขะ ก, กับพวกมารยันพุทธรารก็คือพวกอารยันพอทศกัณฐ์นัคือพวกมิลขะซึ่งเป็นเจ้าของถิ่นเดิมรบแย่งชมพูทวีปกัน แพอตั้งตัวเป็นหลักเป็นฐานแล้วพวกอารยันก็รบกันเองเรื่องสงครามมหาภาัตยุทธ์รือฆ่ากันตายยค่แย่านั้นเองนี่ก็เป็นเรื่องของไฟโทสะไฟราคะไฟโทสะก็และแต่จะจับตรงไหนต้นไฟคือโทสะนั้นเป็นผู้แผดเผาก่อเกิดความร้อนร้อน แต่บังคับจิตให้สายคือแล่นไปในอารมณ์ทั้งหลายบางครั้งสรงเรียกอาคาตวัตถุบ้างเรียกพยาบาทบ้างเิีอุปนาาิ ह ะบ้างกเรียกชเยอะนะตรงใช้ทั้ ง, ท, งทั้งโกรดทั้งวัตุสลายมาความมันใช้ทั้งโกฏะทั้งโทสะทั้งพยาบาทก็แสดงว่าแสดงให้เห็นถึงความเข้มข้นประเภทพยาบาทกับประเภทอาคาตเนี่ย ในใเรื่องจเสร็จไปแล้วจะสมมติว่าโกรธทะเลาะ ก, กันไปแล้วชกต่อยทุบตีกันไปแล้วนะได้ได้แผลกันพอสมควรแล้วเตลใจมันไม่เลิกแล้วต่อกันยังผูงใจเจ็บต้องการจะแก้แค้นต้องการจะทำลายลา้างฝ่ายที่ตรงข้ามกับตนในกระนั้นคครตัวสักก็เผาหล่นใจคนที่เราพยาบาทอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้แต่เราก็เดือดร้อน ส่งกระจายออกไปเป็นเก้าเป็นเก้าอย่างด้วยกันแต่ยามมันก็จะท้ออาการของโมหะให้เห็นให้เห็นด้วยนะฮะว่าในโทสะมันก็มีโมหะในราคะก็มีโมหะในโลภะก็มีโมหะเช่นการที่ผูกอาฆาตหรืผูกผูกใจเจ็บว่าคนค น, นั้นได้เคยทําอันตรายต่อเรามาแล้วในอดีต หรือเคยทำอันตรายแต่ญาติต่อญาติพี่น้องของเราญาติสนิทมิตรสหายของเราแล้วก็ผูกอาฆาตผูกใจเจ็บบางทีก็ผูกอาฆาตว่าคนนี้ได้เคยทำสิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อคนที่เป็นศัตรูเราเป็นอาการของโมหะคือแทนที่จะชื่นชมการทำความดีพอดีก็ทำความดีกับ ค, คนที่เราไม่ชอบเราเลยโกรธเขาด้วย เกิดความโกรธเกิดความประทุษร้ายเกิดความอาฆาตพยาบาทเขาโดยทั้งท่านที่เขาทาดีนะหมายความทําดีก็โกรธทําให้ดีก็โกรธ ถ, ถ้าทําให้ดีต่อเราเราก็โกรธทําดีต่อคนที่เราไม่ชอบเราก็โกรธคือโกรธหมดเลยเป็นอาการทั้งโมหะทั้งโทสะเราปลารบเรื่องราวต่างๆในอดีตบางทีไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราแต่เกี่ยวกับบรรโุรุษของเราในอดีตมันก็กลายเป็นเรื่องอาฆาตพยาบาทได้ กโกรได้บางครั้งปรารบเหตุการณ์ในปัจจุบันถ้าคนนี้กำลังทำอันตรายต่อเราหรือกำลังทำอันตรายต่อญาติพี่น้องของเราหรือกำลังทำสิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อศัตรูรเราลักษณะเดียวกันแต่หมายความว่าโดยการมองการกระทำเขาในขณะนั้นตัวเห็นอยู่ได้ยินอยู่ แต่ก็บองสิ่งนี้เขาก็ทำมาเป็นอันตรายต่อตนหรือปวกฟองของตนหรือเป็นประโยชน์ต่อคนที่เป็นศัตรูต่อตนมันเป็นอาการของจิตที่ตั้งไว้ผิดปัญหาใหญ่ในสังคมเราโดยเฉพาะสังคมพุทธนะฮะสังคมพุทธที่เป็นปัญหาใหญ่มากก็คือว่าเราใช้ปรกมิหารไม่เป็นบางทีเมตตาก็ตกขอบหายไปเลย กลายเป็นชันถากติเล่นพรรคเล่นพวกกันพอกรุณาบางทีก็ร้องห่มร้องไห้แล้วก็แก้ปัญหาอะไรไม่ได้สเสียเสีใจคนตายไปก็ร้องหมร้องไห้เป็นมหากรรมเมันไม่ใช่การุณานะะที่จริงมันเป็นโศกและที่อันตรายมากก็คือว่าเราหรามุติตาไม่ได้นะ มุติตาคือปล่อยชื่นชมยิน ด, ดีในความเจริญก้าวหน้าความสาเร็จการได้ราบยศสรรเสริญสุขของบุคคลอื่นไม่ได้มันจะเกิดริษยาแสงหน้าไว้จะก่อนทุกทีลองดูภาพใหญ่ๆก็ได้นะรัฐบาลไหนก็ตามเกิดมาเป็นรัฐบาลเมืองไทยแล้วไม่ได้ดีเท่านั้นแหละมันจับด่าได้เรืยนะ นายกประมตรีคนก่อนบอกว่าลูกแม่ทวนตอนนี้ก็ห้าสั้นจะหาเรื่องด่าจะได้จอมพลสริทิ์อย่างด่าเลยมูลสริทธิ์ทุบแท่นพิมพ์ในหนังสือพิมพ์เสียงอ่างทองเรียกจอมพลสรุปตนชมัดมันมันมันต้องหาอะไรมาด่าจะได้หมดเลยฮะให้รอนายกรัฐบาลไหนดียังไงแกก็ด่าจะได้ไม่มีอะไรแกก็รูปร่างมาว่า มีอะไรจะด่านะเอารูปร่างมาว่าหนโนหน้าสนามกีฬาในควงแกก็กด่าเป็ น, นหน้าสนามกีฬาหาเรื่องมาด่าจะตด้เพราะเราขาดมุติตาจิตขาดการชื่นชมยินดีต่อความเจริญก้าวหน้าของอุบคุณดินและตัวตัวการใหญ่ที่นําไปสู่โทสะนําไปสู่อฆ่าพยาบาทนั่นคือว่ามันมาจากความรู้สึก เป็นเราเป็นเขาคือความรู้สึกยินดียินร้ายแทนที่เราจะมองคนดีชั่วตามกฎของกรรมเนี่ยเป็นการมองเขาคือมองที่ตัวเขาไม่ใช่มองที่ตัวเราเป็นเกณฑ์แต่ความรู้สึกรักชังนั้นที่จริงเราเราเป็นเกณฑ์เป็นการตัดสินคนอื่นด้วยความรู้สึกของเราเธอทําทดียังไงก็ไม่รู้ว่าทำดีกับคนอื่น คนในฉันไม่ชอบเธอก็เลวแต่นั่นแหละเห็นไหมทางทํานที่เขาทำดีเพราะว่าใจเราไม่อุเบกขาคือไม่มองในแง่ของกรรมยานได้เคยตั้งข้อสังเกตให้ท่านนั้งหลายครั้งว่าสังคมไทยเรานั้นที่ยึงเป็นสังคมพุทธสังคมพุทธจะเน้นเรื่องกรรมมากจะสอนเรื่องกรรมแต่ว่าจริงเราก็จับเรื่องกรรมไม่ถูก เราใช้อารมณ์ใช้ความรู้สึกเป็นเป็นหลักเช่นพวกอาฆาตพยาบาทเหนเห็นได้ชัดเอาแหละเขาทําไม่ดีต่อเราเราไม่ชอบก็บอกฟังได้นะฮะเขาทําไม่ดีต่อญาติพี่น้องของเราเราไม่ชอบก็บอกฟังได้แต่เขาทาดีต่อคนที่เราไม่ชอบทําไมจะไปโกรธเขาล่ะเลยนั่นก็แสดงให้เห็นว่าใจมันไม่ได้มองที่กรรม ไม่ได้มองที่กรรมแต่มองที่ความรู้สึกของเราเองเนี่ยเป็นเป็นเกณฑ์ในการตัดสินเรื่องทั้งหลายที่ที่มีปัญหาเราก็ใช้ความรู้สึกของเราเป็นตัวเป็นหลักในการตัดจิตในการตัดิจารณไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามนะแม้แต่เรื่องแก่งเรือเต้นเนี่ยก็มักบื้อวากนันในปัจจุบันเราลองฟังดูฟังเสีงเยงดูมันก็ใช้ความรู้สึกตัวเอง คือไม่ได้มองถึงชาติบ้านเมืองโดยรวมปัญหาของชาติบ้านเมืองเป็นปัญหาที่เรารับผิดชอบร่วมกันมันไม่ใช่เรื่องเฉพาะตรงใดตรงหนึ่งแต่พอเราใช้เหตุผลสูตรตัวข้าวมันก็มีปัญหาทั้งหมดแหละไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามแต่นั้นอาการของโมหะมันก็ชัดว่าโทสะมันก็มาจากโมหะราคะเองมันก็จะมามาจากโมหะโทเอโลภะเองมันก็มาจากโมหะ จนถึงบางครั้งบางคราวเราไปปักใจเอาเองคือเข้าใจเอาเองว่าต่อไปนะฮะคาดหมายเอาแต่นั้นเองพวกอาการค่าปิดปากทั้งหลายเนี่ยกะแนวนั้นต่อไปคนเหล่านี้อาจจะเป็นอันตรายต่อเราเลยค่าปิดปากเลยต่อไปคนเหล่านี้อาจจะเป็นอันตรายต่อญาติพี่น้องของเราต่อไปคนเหล่านี้อาจจะเป็นประโยชน์ต่อศัตรูเรา แล้วเราก็เกิดความมาฆ่าพยาบาทครับเป็นความคิดเดี่ยวตัวเองเป็นศูนย์เป็นฐานเมื่อหลายปีมาแล้วก่อนดนี่ยาจะสร้างมหาเทาลัยธรรมศาสตร์รังสิตนะฮะที่รังสิตมาไปบรรยายที่ธรธรมศาสตร์แล้วก็คุยกับพวกอาจารย์ครับอาจารย์เขค้านนะฮะมาถามเหตุผลในการค้านถามว่าทําไมจึงค้าน พอเราก็เห็นว่าธรรมศาสตร์มันก็แคบนิดเดียวมก็เรียนไม่ได้เรื่องแต่บอกว่าเดินทางไกลลําบากในการเดินทางพราก็อีกกว่าเขาจะสร้างเสร็จอาจารย์ก็กเกสียโนบดแล้วไม่ได้เกี่ยวอะไรกับอาจารย์เลยเอาตัวเองไปผูกเอาไวนะ้นะนึกว่าตัวเองจะต้องเดินสอนที่จริงมากเขาสร้างให้คนรุ่นหลังตแต่ละคนก็ห้าสิบกว่าแล้วนะฮะกว่าก็จะสร้างเสร็จก็จบแล้วตัวเองก็กกเสียไปแล้ว แต่เพราะว่าเรามองด้วยอำนาจของโมหะล้วตัวเองเราเป็นฐานปัญหาต่างๆที่ที่เกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นจากการให้ความส่านกันเกตตัวเองคือหลงตัวเองหลักของภรมิหารสองข้อหลังเราจึงจึงมีปัญหาตลอดหมายความว่าเรามุธิตาไม่ค่อยได้วิสหยาแสงหน้าได้ก่อนทุกทีแล้วเราก็อุเบกขาไม่ค่อยได้เราจึงสับสน แต่ที่จะมองเป็นกระบวนการของกรรมเราก็เอาตัวตัวเราเองเป็นฐานที่จริงแล้วเรามองคนอื่นนะเพราะไมิหานั้นเป็นเป็นเรื่องใช้กับคนอื่นปรับใจเราให้สอดคล้องกับสถานภาพของบุคคลอื่นมองคนสัตว์ทั้งหลายโดยดูตัวๆๆไปด้วยเมตตามองคนที่ประสบความเดือดร้อนด้วยกรุณามองคนประสบความเจริญก้าวหน้าด้วยมุจจิตา มองคนที่ประสบปัญหาต่างๆติด ท, ทุกข์กกกตารนตอะไรแต่ไรก็ตามด้วเบีกขาคือมองเป็นเรื่องของกรรมคนเราทำกรรมอะไรไว้ก็จะเป็นไปตามกรรมแต่พอถึงกรรมเนี่เราเราจะมองไม่ออกเราจะแยกไม่ออกและบางทีก็หาเรื่องเพิ่มบาปไปเกลตัวเอง เช่นอย่างในกรณีที่คนอื่นเ็าทำดีแล้วเราไม่ชอบเขาเนี่ยเราโกรเขาเนะก็เขาก็ได้ดีไปเพราะเขาทำดีเราก็อาศัยการทําดีของเขาเป็นเครื่องมือในการทำชั่วของเราตนลงว่าเราได้บาปในขณะที่คนอื่นเขาได้บุญอย่างเช่นที่เคยล่าเรื่อง มาสองคนเมื่อพระเจ้าพิมพ์ิอพระเจ้าประสิทธิ์ที่กุศลกับพระนางมาริกาเทวีถวายอัฐศีธษฐทานนะฮะเป็นทานที่คนถวายได้ครั้งเดียวอนะุยเจ้าองค์หนึ่งมันมั น, ม, นมันเรื่องมันเยอะจังแล้วค่าใช้จ่ายก็สูงมีต้งชายช้างแต่้งห้าร้อยเชือกสมบับกัน้นสัพพทนเวลาพระนั่งฉันเนี่ยแล้วคนที่ทําได้ก็ต้องเป็นผู้หญิงด้วยนะฮะ มันพระนางมณิกาทีก็ทําอมาตะองคนก็ฤิษยาอุ้ยสิ้นเปลืองเวิเงินทองสิ้นเปลืองเวลาอะไรแต่ไรอันฤทิษยาคนอื่นก็ได้บุญกันหมดตัวเองเลยได้บาปไป น, นั่นคือไม่มองในแง่ของกรรมว่ากรรมที่เป็นกุศลมันต้องอนุโมทนามันไม่ใช่เกิดไปรทิษยาเกิดไปแข่งดีหรือเกิดไปเกิดตัวสาขึ้น ตรงนี้เป็นไฟที่ส่งสอนให้ดึงกายดึงจิตออกห่างคืออย่าปล่อยไฟราคะไฟโลภะไฟโทสะ ไ, ไฟโมหเะเผาลนอย่างน้อยนี่มากเกินไปย้ายถูกเผาพากเกินไปนี้ประการต่อไปก็คือไฟคือโมหะโมหะขไฟคือโมหะมันก็เป็นโคตรกิเลสนะฮะโคตรกิเลสเป็นรากงาขกิเลสก็เป็นตัวข้ อ, อวิชา เป็นาการของความมืดบอดในด้านเหตุผลต่างๆตรงนีเนเน้เป็นเรื่องดีหน้ามองน ะ, ะว่าถ้าคนอื่นเ็ายังมีความมืดบอดเหมือนคนหลงทางนะฮะเราต้องเกิดการุณาเขาเราต้องเกิดออบอกทางให้แก่เขาเพราะเขาหลงทางแต่ว่าที่เรามีปัญหาคอ พอคนอื่นแสดงอาการที่งมงายที่ที่ร่าเหตุผลขึ้นมาเราไปด่าเขามันก็ต้องลงไม่ได้เรืยกงอะไรเพราะพราะงมงายโดยโมหะเราด่าด้วยโทสะต้อง่ากิเลสคือกันนะ่ะก็คือกิเลสด้วยกันถูกไฟกิเลสเผาหลนด้วยกันา ว, วิธีการมองพวกอาการของกิเลสหรือพวกกิเลสเนี่ยมาความมาลงมองเห็นโทษแล้วไม่ให้เกิดขึ้นแก่ใจเรา แในสรับที่คนอื่นเราต้องมองเขาด้วยความสงสารด้วยความเข้าใจเห็นใจก็ให้อาภัยเขาออย่างในกรณีที่เนี้ยเรากำลังบื๋วว่าอะไรต่อะไรกันเรื่องเรื่องราหูเรื่องอะไรต่ออะไรก็ตามอตลอดถึงความงมงายรายเหตุผลในหลายๆเรื่องก็ไม่จะเป็นอะไรจะต้องไปด่าเขาไม่ต้องไปอาศัยโดน โดยสารก็เพิ่มกิเลสด้วยแต่ถ้ามีโอกาสจะบอกกล่าวจะชี้แจงจะอธิบายเราก็บอกปัญหาบางอย่างมันก็ทบกันถืน ก, กระทบกันทืนความรู้สึกอย่างที่เคยเล่ามาหลายๆเรื่องเนะี่ยเห็นว่าว่าปัญหาบางอย่างพระพุทเจ้าท่านไม่ตอบมันก็ทบกันถืนกระทบกันถึนความรู้สึกไม่ไปถึงราเหตุผลไปทีเดียวเลยฮะ เพรอย่างน้อยสิ่งนี้ก็าทำมันก็เป็นบุญครับเช่นพวกไปภาชกสองคนที่บําเพ็ญสุนัข ก, กวัดกะโคกวัดที่พระเจ้าไม่ยอมตอบหรือว่าคนแสดงการครานรําขับร้องผูกนักร้องนักเป้นทั้งหลายเนี่ยที่ถือว่าการกระทำของตัวเองเป็นบุญแล้วมาถามแล้พุทธเจ้าเป็นบุญจริงหรือเปล่าพระเจ้าไม่ยอมตอบ เพราะมันก็ะทกระเทือนขนขนมากไม่ถึงกับไราสาระสิ้นเชิง น, นะฮะไม่ไปถึงกับไราสาระอย่างสิ้นเชิงแต่ถ้าพอไปถามบีบข้าวเนี่ยมันเป็นปัญหาอย่างเช่นถือว่าการปฏิบัติตัวเรียนสุนักหมดเลยทําอะไรแบบสุนักหมดเลยเรียกสุนักขวัด หรือทำอะไรแบบโคควัดแล้วก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลมากมีวัดปฏิบัติเยอะนะะพวกนักบวดสมัยนะั้นก็ปฏิบัติกันเยอะก็มาการาบคุณถามพระพุทธเจ้า ว, ว่าได้บุญได้อันนี้สูงมากจริงหรือเปล่าพระเจ้าไม่ตอบก็พยายามอ้อนวอนด้วยประการต่างๆนะพระเจ้าบอกว่าต่อไปไปเดี๋ยวเธอจะเสียใจ แล้วขอร้องให้ตอบมันเสียใจนะก็รัชสั่งว่ามันไม่ได้เกิดเป็นเทวดาแล้วเพราะมันใจชื่นชมยินดีในสภาวะของความเป็นสุนัขความเป็นโควันตายไปมันเกิดเป็นสุนัขเป็นโคเพราะว่าจิตมันไปจดจ่ออยู่ตรงนั้นเราจะเห็นว่าเราจะดูอาการทางจิตอะไรแต่ออไรมันก็คล้ายๆกับเรื่องที่เคยเล่าเรื่องของกลุ่มปโกศกเศรษฐีนะ เรื่อ ง, เ ร, องเรื่องโคศกเศรษฐีสมัยที่ท่านเป็นโกตุฮาลิกนะมีใจชื่นชมยินดีในความเป็นสุนัขว่าสุนัขยินดีกว่าแกซึ่งหิวโหยมากเขาปาก็ไม่มีกินสุนัขได้กินข้าวคุกน้ำนมอย่างดนะีก็พอใจในความในเพศของสุนัขพะกินอาหาราหารย่อยไม่ทันอาศัยใจบุกผ่านในสุนัข ก, ก็เกิดเป็นลูกของสุนัข ล้วใจไม่มีเกี่ยวกาะอยู่เรื่องนั้นหรือเหมือนก็พระที่ปลูกอ้อยเอาไว้แล้วก็ก่อนจะมรณภาพจิใจไปปลูกพันนั่เอ้าก็เกิดเป็นหนอนในอ้อยอะไรต่ออะไรเนี่ยเราเห็นว่าใจมันก็ปลูกพันุตามปกติบู้าจะไม่ตอบเพราะว่า การกระทำของเขาที่ยืนมันก็ปิมีวิธีฝึกอะไรอยู่พอสมควรนะฮะมันฝึกอะไรอยู่พอสมควรได้จะถามว่ามันมันฝึกอะไรได้บ้างเนะะี่ยเราจะเห็นว่ามันก็มีอดทนมีความเพียรมีอะไรอะไรอยู่พอสมควรแต่จะถามว่าไปบังเกิดบนสวรรค์หลุดพน้นจากกิเลสมันเป็นไปไม่ได้นะเป็นไปไม่ได้ขนาดนั้นเพราะงั้นโดยหลักการปฏิบัติแล้วเนี่ย ในกรณีที่เป็นความงมงายความร้าเหตุผลของคนอื่นถ้าได้มองเขาด้วยความรู้เท่าทันตรงใดพอจะพูดได้ก็พูดพอชี้แจงอธิบายได้ก็อธิบายแต่ไม่จําเป็นจะต้องไปด่าเขานะฮะไม่จําเป็นจะต้องไปด่าไปว่าอะไรเขาเพราะเรื่องของโมหะที่จริงมันเป็นเรื่องธรรมชาติมนุษย์เรามีโมหะทั้งนั้นแหละ คนไม่มีโมหะมีเฉพาะพระอาหารหันตานั่นเองเพียงแต่ว่าทำทำยังไงย้ายเผาหลดมากเกินไปอย่าเป็นโมหะกิหรือกลายเป็นความงมงายความไร้เหตุผลต่างๆแล้วก็ทำไปเป็นการซ้ำเติมตัวเองให้ระมัดระวังที่ใจตัวเอง แล้วก็ไม่ต้องไปด่าคนอื่นหมายามาให้ดูที่ใจตัวเองแล้วแก้ปัญหาที่ใจตัวเองกิเลสประเภทโมหะที่แรงๆก็คือพวกผู้ปฏิเสธบาปุลุกโทษทั้งหลายนะครก็ถือว่าแรงก็ได้แก่ผู้มิชาติสติสามประการปฏิเสธความมีอยู่ของกรรมความมีอยู่ของผลกรรมแล้วก็ ความม่อยู่ของบาปบุญพอ่อแม่อะไรแต่อะไรทั้งหมด ท, ที่พูดถึงวิชาที่4ีสิบอย่างนี่ก็ถือว่าโมหะที่แรงโมหะบางอย่างเนี่ยมันปิดประตูก็เรียกว่าปิดประตูสวรรค์ปิดประตูมาผลที่ผ่านบางอย่างมันไม่ถึงก็ปิดประศัดโราที่หมุนบนอยู่มันต้องมีโมหะนสอนให้มองดูโมหะโมหะ คื อ, อย้ายเผาหล่นภายในใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือความเครือบแคลงสงสัยกับความฟุ้งซ่านซึ่งเป็นอาการภายในจิตมากที่สุดเคลือบแคลงสงสัยในหลักกา ร, รําคัญนําคัญแล้วก็ความฟุ้งซ่านของจิตควบคุมจิตใจไม่อยู่เป็นอาการของนิวรณ์สองข้อหลังนะฮะอุทจจะอุทจจะไม่จะกุกุาจจะอุทัจจะกับวิจิกิจฉาจะเป็นอาการของโมหะ เราเจนว่าถ้าสองอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วก็จบสิ้นการจะทำอะไรไม่ได้เช่นความเครือแครงสงสัยตัดสินใจไม่ได้ไม่รู้อะไรเป็นอะไรชัดเจนจะทำก็ไม่ได้จะพูดก็ไม่ได้จะคิดก็ไม่ได้จะปฏิบัติก็ไม่ได้ในจะเดินจะเหินอะไรแต่อะไรก็ไปไม่ได้เพราะอย่างขาดความเชื่อมัน่นขาดความรู้ความเข้าใจในจุดเหนั้น ก็ทรงสอนไฟในแนวที่ขวนงดเว้นนะฮะมดเว้นสามสามกองใหญ่โดยหลักการปฏิบัติจริงๆก็คือปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาเป็นการประกบกันคือเรื่องของศีนั้นก็แก้กิเลสประเภทโลภะสมาธิก็แก้ประเภทโทสะแล้วก็ปัญญาก็แก้ประเภทโมหะนั่นแก้กันตรงตรงตัว ระการต่อไปทรงแสดงไฟอีกสามกองเป็นไฟที่ควรแก่การเคารพนับถือสักการะบูชาให้ความสำคัญเห็นความต้องการแก่ไฟเหล่านั้นทรงเรียกว่ากะหะปะตกขิไฟคือกระหะบดีอาหุเนยยักษิ นะไฟคืออาหูนะบุคคลอาหูนะบุคคลแล้วก็ทักกิเนยะคีไฟคือทักกิเนยะบุคคลก็เป็นภาษาที่เราคุ้นๆนะฮะเราจะเห็นว่าเป็นภาษาในภาษาก็คุณคําว่ากาปรปตักคินั้นทรงอธิบายว่าได้แก่คนในแวดวงชีวิตของเรานะคือทั้งหมดนั่นแหละใครก็ตามที่เกี่ยวข้องกับเราคนทั้งหลายนั้น เรามีการยอมรับนับถือให้เกียรติยกย่องกันเป็นการสร้างความรู้สึกที่ดีต่อกันสร้างมิตรสัมพันธ์ต่อกันอย่างไม่มีอะไรก็อย่าทำตัวเป็นศัตรูกันแล้เป็นแนวปฏิบัติในแนวของสังขาวัตถุหมายความสาหรับคนทั้งหลายนั้นเราก็มีน้ำใจมีการสงเคราะห์มีการหนุเคราะห์มีการ นับถือบูชากันตามต้องควรแก่นฐานะเวลามีการพูดจากันก็พูดจากันโดยท่าที่คที่แสดงถึงความเป็นมิตรที่เรียกว่าเป็นเมตตาวาจามุ่งดีปราถนาดีต่อเขาให้เกิดประโยชน์แก่เขาไม่เป็นการหักร้านทำลายผลประโยชน์ของเขาก็คืองดเว้นวจีทุจริตทั้งสี่ประการแล้วก็ทาตัวเป็นประโยชน์ อยางไม่มีอะไรนะอย่าหาักรางอย่าทำลายผลประโยชน์ของกันและ ก, กันแต่ว่าตามปกติแล้วควรจะสร้างสรรค์ส่งเสริมสนับสนุนกันเพราะว่าแสดงความเป็นมิตรเมตรีที่เราจะต้องมีต่อคนอื่นและเพื่อคนอื่นมีต่อเราเพราะการอยู่ร่วมกันภายในสังคมนะั้นเป็นเรื่องกิริยาปฏิกริยาเราต้องการปฏิกริยาอย่างไรเราก็สร้างกิริยาอย่างนั้นขึ้นมา แล้วก็ได้สิ่งเหล่านั้นจากสังคมที่เราเป็นสมาชิกอยู่เธอก็วางตัวเข้ากับเขาได้อาจารย์ใช้คําว่าสมานัตตาคือวางตัวเข้าเขาได้เอาตัวเข้าไปประสานไม่ดูห ม, มิ่นหยาดยมคนอื่นโดยไม่แข็งกร้าวไม่รุนแรงไม่ถือตัวถือตนมากเกินไปมันก็เรียกญหปตัตตคีคือกับคนทั้งหลายพูดง่ายว่าก็แนวเมตตากรุณาอย่างที่ว่าเนี่ยแนวเมตตากรุณา อยู่ร่วมกันโดยเมตตาเป็นธรรมะที่เน้นมากเรื่องเมตตาเนี่ยพูดโดยรวมจริงๆก็ชาวโลกเราก็อยู่ด้วยเมตตาเทพุท e x t e r n a แสดงถึงความเป็นกัลยาณมิตรกัลยาณมิตรก็คือจิตที่กรอบด้วยเมตตาต่อกัน มีความปรารถนาดีหวังดีต่อการท่านแสดงเป็นมิตรที่มีอุปการะมิตรร่วมทุกข์ร่วมสุขกันได้มิตรแนะนําในสิ่งที่เป็นประโยชน์มิตรที่มีความรักใคร่ก็สรุปรวมแล้วก็คืออาการของเมตตานั่นเองเป็นเจตนเป็นการกระทําเป็นการพูดซึ่งมีผลเมื่อการเกื้อกูลต่คนอื่นและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง คนที่เกี่ยวข้องกันโดยฐานะหน้าที่โดยโดยกลุ่มจุดยึดเหนี่ยวเดียวกันนะเช่นเช่นสมมติว่าการเป็นพุทธศาสนิกิชนรองฝ่ายที่เป็นนักบวชก็ฝ่ายที่เป็นคารวะจุดเชื่อมสำคัญก็คือเมตตาที่จริงมันไม่ได้เป็นญาติพี่น้องอะไรกันนะนะเราไม่รู้จักกันให้ทัไปแต่ก็มีความรู้สึกที่ดีต่อกันในฐานะที่ นับถือพระรัตนตรัยด้วยกันชาวบ้านเองจะเน้นที่เมตตาในการแสดงออกทางกายทางวาจาคือทำอะไรก็ตามให้ทำไยเมตตาพูดอะไรก็ตามพูดไเมตตาแรืแม้แต่คิดก็คิด้วยเมตตาแล้วนอกนั้นก็เป็นการสะท้อนเมตตาว่าเช่นเมื่อเมื่อมีการมาเทบินทบาท ก็ยินดีสนับสนุนด้วยอาหารบินรบาตตามสมควรแล้วก็เมื่อท่านเป็นแขกมา ก, ก็ยินดีต้อนรับทั้งหมดที่ยืงมาเป็นการสะท้อนเมตตาเป็นการสะท้อนจากจิตที่มีเมตตาเพราะถึงพระเองก็สอนในแนเมตตาแต่ว่ามุ่งไปในทางการุณา เราต้องการจะผสมกลมกลืนกับพระคุณของพระพุทธเจา้าก็แนวสมเคราะห์กันได้หมายความว่าอย่างพระเราสมัยพุทธกาลโอกาสที่จะสมเคราะห์ในรูปวัตถุหรือมันไม่ค่ยมีนะที่เราก็ก็พบหลักฐานก็มีไม่ไม่กี่ครั้งแล้วก็มีไม่กี่องค์ที่ท่านทาได้เช่นพระ มนนท่านเคยเอาผ้าไปไแจกแจกพระแจกชาวบ้านเนี่ยมีคนถวายผ้ามาท่านก็ไปแจกอแนวสังค์มูมิุกพราะอย่างนั้นมันก็อยู่ที่ท่านที่มีบุญวาสนาบารมีท่านได้มามากๆท่านก็มีแจกแต่ว่าโดยสภาพจริงๆอะพระไม่เคยมีของรถล่านี้ครับพระเจ้าก็สอนในแนวของธรรมสังฆะ เรองการแสดงเมตตาระหว่างพระกับชาวบ้านพระจึงจึงจึงมองไปนแนวธรรมะทั้งทั้งทั้งหมดทั้งทั้งทั้งหกข้อนะะห้ามปลาไม่ทำความชั่วให้ประพฤติปฏิบัติความดีสงเคราะห์โดยน้ำใจอันงามให้ได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยฟังอธิบายสิ่งที่คือฟังแล้วจแจ่มแจ้งบอกทางสวรรค์ให้ทั้งหมดเป็นเรื่องของธรรมะคือคือคือไม่ได้ เน้นไปในเรื่องวัตถุสิ่งของเพราะว่าก็ไม่มีวัตถุสิ่งของจะไปสมเคราะห์แต่ก็กลายเป็นอิงอาศัยกันในกันน้อยความเมา่อใครมีอะไรก็สงเคราะห์ด้วยสิ่งที่ตัวมีเป็นการยอมรับนับถือกันตามสมควรแก่สถานะแต่การต่อไปนั้นท่านเรียกว่าอาหุเหนยยักขิอาหุเหนยยักขี ท่เห็นว่ามันก็นับจากนี้ไปนะฮะมารดาบิดาไปอาุเนยาเจปุตตานางังปัญญายอนุกัมปกานะที่ว่ามารดาบิดาเป็นอาหุนะคือเป็นพระอรหันต์อหุนะแปลว่าของควรคํานับหมายความว่าเป็นบุคคลที่ควรแก่การที่เราจะนําอะไรก็ตามนะฮะไปถวายไปให้ไปบูชาความดีของท่าน ก็ทจริงก็คือแสดงความเมตตาแสดงความมีไม่มิมีมิตรไม่ดีแต่ตรงนี้มันก็เน้นไปที่ความเคารพนับถือศรัท ธ, ธากตันยูก็แล้วแต่และแล้วแต่ความรู้สึกผูกพันในฐานะอะไรแต่สรุปว่าทั้งหมดเป็นการสะท้อนกุศลอาจจะเป็นเมตตาจะเป็นกตันญุก็จะเป็นศรัทธาจะเป็นความเคารพเป็นความนับถือหรือแ ม, ม้แต่จงรักภักดีอะไร ก็นำของไปถวายท่านไปให้ท่านไปบูชาท่านไปสักการะท่านเป็นสิ่งจะต้องบำรุงเพราะพวกนี้เ็าเรียกว่ามีคุณอนันต์มีโทษมหันท่านเห็นว่าพวกนี้ถ้าทำไม่ดีก็คือไปยนถึงอนันต์ตริกรรมเป็นหม่ฆ่าพ่อข่าแม่ข่าพระอรหันต์ทำร้ายพระพุทธเจา้า มายความถ้าประพฤติไม่ดีก็บาปเยอะบาปแรงๆด้วยถ้าประพฤติปฏิบัติต่อท่านดีมีความเคารพมีความนับถือมีความกตัญญูกตวเวทีอยูก็เป็นบุญเป็นกุศลเ้าลองสังเกตจากจากการสังเกตในวิมานวัตถุอย่างที่เคยเคยพูดไว้ตั้งหลายตอนนะนะการบังเกิดเป็นเทพบุตรเทพติดาที่ท่านแสดงไว้ในวิมานวัตถุมันจะเรื่องบุญกุศลใหญ่ๆอะไร ปุณกุศลธรรมดาธรรมดาที่สาธุชนทั่วไปก็ทํากันเห็นว่าเป็นสามีพัญญาการต่างคนต่างกระทำหน้าที่ดีเป็นสามีที่ดีเป็นพัญญาที่ดีอเป็นสะพ้ายที่ดีเป็นลูกเขยที่ดีแล้วก็เป็นมัชมักมัช ก, กวิธีที่จะไปสู่สวรรค์แล้วมันเป็นวิถีชีวิตของคนที่ปฏิบัติระดับศีลธรรมจริยาแต่นั้นเองนะฮะ สินธรรมจัญญาแล้วก็อยู่ในแวดวงพวนี้แหละแวดแวดแว ด, แ ว, ดวงของสีห้าของกุศลกบฏสิบอยู่กต่แทนนี้ทั้งนั้นพ้ะการที่ให้ความเคารพนับถือสักการบูชาต่อท่านเหล่านี้นับไปเรื่อยๆนะฮะหมายความว่าพวกมันดาบิดาพวกอะไรละพวกพว ก, พวกพระสงฆ์พวกพระพุทธเจ้าอะไรจะขึ้นๆไปเรื่อยๆนะฮะขึ้นไปเรื่อย เขาเรียกว่าอาภูนยักษ์ควรแก่การเคารพนับถือสักการะบูชาให้มีความรู้สึกที่ดีจะเป็นอะไรก็ตามนะฮะจะเป็นศรัทธาความเคารพความนับถือความกตัญญูแล้วก็บูชาท่านตามสมควรอีกอย่างหนึ่งก็คือทักกินยัคคิ นี่ก็ที่จริงกันเดียวกันเน่นะฮะเราจะเห็นว่าอาหุนโยประหุโนโยทักขีนโยเป็นเน้นไปที่ท่านซึ่งควรเกี่ยวการทักขีนาทักขีนานั้นหมายความว่าไปให้ท่านไปไหว้ท่านไปทำบุญกับท่านอะไร่ะไรเนี่ยปบสังก็คุณสี่ข้อหลังนะฮะสี่ข้อหลังสถานะของท่านเป็นบุญยัเขตหรือข้อสุดท้ายเราจะเห็นว่า ท่านเป็นบุญญาเขตเป็นสถานะของบุญญาเขตเพราะความเป็นบุญญาเขตนั่นเองจึงเป็นอาหุนโยควรคํานับควล ร, รอนรับควรทําบุญควรกระทําอัญเชลีเพราะอะไรเพราะท่านเป็นบุญญาเขตทีนี้ถามว่าทําไมจึงจึงเป็นบุญญาขีกบก็เพราะท่านปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติต้งคนพวกพวกนี้ต้องต้องต้องหนุนกันเองไงนะฮะต้องหนุนกันเองหมายความเาพราะมีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้เพราะมีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้มันเป็นลักษณะของปัจจัยกาศ ถ้าท่านไม่มีล่ะไม่มีก็ก็ไม่มีแม้ก็อยู่ที่สถานภาพบางขั้นแล้วก็ความรู้สึกของเราหมายความว่าการมองของเราเราเห็นว่าท่านเป็นอาหุนระยะเป็นผู้ควรแก่ของขคำนับหรือไม่หมายความมานําอาหารนําเสื้อผ้านําเครื่องสักการะทั้งหลายดอกไม้ทุกเทียนอะไรก็แล้ว แ, ลแต่นะฮะตามตามสถานะของคน แล้วก็ถ้าคิดในโยนั้นเป็นการเน้นไปที่การทาบุญแล้วหมายความมาให้อะไรแก่ท่านแล้วมันเกิดเป็นบุญเป็นกุศลที่เรียกว่าเกิดเป็นอาณิสงไม่ได้มองเฉพาะปัจจุบันแต่มองถึงชาติหน้าแล้วบางทีก็มองในกรณีที่อะไรทำบุญอุทิศควรกุศลเนี่ยนะทำบุญปทิสนกุศลต่าง มีการให้ทานมีการกรวดน้ำมีการโมทนาคือเป็นกระบวนการของบุญของของกุศลก็อาศัยว่าท่านเป็นผู้ควรรับทักทิศในยธรรมทักทินยยทานเหล่านั้นแล้วก็สามารถที่จะอาศัยท่านอุทิศส่วนกุศลไปแก่ผู้ชีวิตชนได้อย่างที่เล่าไว้ในวันก่อนที่ พระเจ้าพิมพิสารถวายทานแกพระพุทธเจ้าพระหันทั้งหลายคืออุทิศส่วนบุญส่วนให้แก่พวกญาติที่เป็นเปรตในอนดีตแล้วก็ผลเหล่านั้นก็สําเร็จคีพเมวัสมิจตุกนะฮะสำเร็จโดยพลันนะ่เนี้ยสาเร็จโดยพลันคีพเมวัสมิจตุแต่การจะสำเร็จโดยพลันก็ที่จริงก็มีเหตุปัจจัยเข้ามาประกอบอีกเยอะท่านเหล่านี้ ทั้งสองสามประเภทนะฮะหมายความว่าทรงศอในแนวบำรุงบำรเรือไฟเรียนวิธีบูชาไฟนะฮะจะเห็นว่าไฟนั้นต้องระมัดระวังการเกี่ยวข้องกับไฟต้องมีความระมัดระวังความเป็นไฟก็มีคุณ น, า น, านันมีโทษมหันต์เพราะนั้นก็ยกตัวอย่างคนขึ้นมาสามสามประเภทกาปะตกคิคือคนนี้เกี่ยวข้องกับชีวิตของเราเอานเอ ย, ยักคิ คือคนที่เป็นผู้ใหญ่เหนือเราเป็นผู้ที่มีอุปกรณคุณเรานะฮะตั้งตั้งแต่พ่อแม่ไปนะแล้วก็ทักทินยักที่ท่านที่ควรแก่การทักทินาควรแก่การทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลเพื่อเกิดผลเกิดอานิสงส์จากการทำความดีเหล่านั้น ยานในกรณีของการให้ทานนั้นเราจะเห็นว่ามันมีผลในขณะนั้นนั้นมีผลในขณะต่อๆไปแล้วก็มีผลในชาติพบต่ อ, ตอไปตลอดถึงเพื่อแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลเหล่านั้นให้เกิดขึ้นแก่คนที่ร่วมอนุโมทนาด้วยยานที่ทรงแสดงไว้แก่สีหะเสนาบดีว่าทานที่บุคคลให้ดีแล้วเขามาให้ดีแล้วเนี่ยฮะ องประกอบหลักมันก็มีอยู่สามอย่างนะที่จริงสี่อย่างไออย่างหนึ่งมันก็เรื่องใหญ่หมายความว่าผู้รับนั้นเป็นเป็นนี่อาหุนนยโยปะหุนนยโยธกิจโยอธิการนาโยอนุตรังพญักิตังเราตศาสตนี่ที่ที่จริงไม่ได้เจาะจงพระนะฮะเจาะจงคนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติสมควรใครก็ตามฮะใครก็ตามที่ปฏิบัติอย่างนั้น ยังพ่อแม่ทําไมเป็นอาหุนในยะด้วยทําไมเป็นทักกินในยะด้วยก็เพราะพ่อแม่อาจจะมีกิเลสอะไรสมบคนอื่นแต่สมบเราท่านท่านท่านมีธรรมะท่านมีเมตตาท่านมีกรุณาตอนท่านท่านท่านท่านก็เป็นบุญญาเขตของลูกเป็นพระหันของโลกได้ให้ลองสังเกตเราที่ที่จริงพ่อแม่ก็เป็นคนมีกิเลสจะบ้านนะนะจะบ้านจะบ้านนั่นแหละแต่ว่ากับลูกมีธรรมะ กับลูกนั้นมีธรรมะเพราะงั้นเวลาคิดถึงลูกผู้กับลูกก็พูดโดยธรรมะอาจจะดุดา่าแต่ว่าทําด้วยเมตตาจิตเพนท่านท่านท่านท่า น, านจึงเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติสมควรของตามสถานะของความเป็นพ่อเป็นแม่เห็นมฮะทา่ทาท่านก็เป็นอาหุนโยภาหุนโยเป็นการทําบุญที่เรียกว่าอะไรล่ะพื่จะได้ดีหวานลงไปในดินที่ดี สองปัจจัยที่เราถวายเป็นสิ่งที่ได้มาในทางที่ชอบทำไม่เน้นทีท่ที่ประนีตหรือไม่ไม่ประนีตนะอยู่ที่จิตประนีตเป็นหลักเพียงแต่ว่าถ้าเรามีของหลากหลายท่านจะพูดถึงทานอีกประเภทหนึ่งที่เรียกว่าทาสถานสหายทานสามีทานนะหมายความว่าของมีสามระดับมีหยาบมีกลางมีละเอียดแล้วเราก็ให้ของที่หยาบที่สุดคือเราเองก็ไม่กิน อันนี้เขาเรียกว่าธาตุสถานถามอได้บุญม้างก็ได้บุญนฮะได้บุญหยาบหยาประการต่อไปก็เรียกว่าสหายฐานหมายความว่าของเราเองก็บริโภคใช้สอยแล้วเราก็ให้ก็ได้บุญได้านสูงที่ประนีตขึ้นแต่ทีนี้บางคนมีศรัทธามากแม้ตัวเองไม่บริโภคใช้สอยแล้วก็นําไปไปถาวายฐานแก่ท่านที่เป็นอาหุนในยะนะฮะทักกินในยะเนี่ยมันก็มีผลเหมือนในสูงมากก็เรียกว่าให้ดีแล้ว แล้วก็เจตนาในการให้ก่อนให้ก็น่าให้หลังให้อย่างที่บอกไว้ในวันก่อนนะว่าไอ้หลังให้เนี่ยมันนานหลังให้เนี่ยมันนานทําให้สังคมไทยที่นิยมสร้างวัตถุนี่เราก็เห็นใจนะฮะคือหมายความว่าเห็นทีที่มันเกิดปิติปราโมทอะเราสร้างโรงพยาบาลสร้างโรงเรียนพมมองเห็นโรงพยาบาลเราก็นึกถึงว่าเรามีส่วนร่วมอยู่ได้เห็นราคาบดเราก็มีส่วนร่วมอยูโดยลูก ลูกหลานมาเห็นก็ชื่นชมนี่คุณพ่อเราสร้างไว้แม่เราสร้างไว้เนี่ยเพราะงั้นตัวตัววัตถุฐานเนี่ยมันตั้งตั้งแต่ไหนแต่อะไรมาเราจะว่าไม่ได้แล้วฮะประเทศไหนก็ตามจีนก็ตามบินเดียก็ตามประเทศต่างๆเลยทีนี้เจาะภูเขาสร้างวัดเนี่ยนะอินเดียชันต้าเอโดระเจาะภูเขาอยู่ตรงหกร้อยปีสร้างวัดแกเห็นก็แกนะฮะและ้วแกเห็นชั่วนาตาปี่อีกกี่ร้อยปีก็เปคนเลียงเห็นอย่นั้นแหละ ก่อน ม, มาตัวปราปรภรัตเจตนาเนี่ยหมายความว่าเจตนาหลังจากไข่ไปแล้วเนี่ยแกมีปิติประโมทอ่ะลูกหลานไม้เห็นนะปิติประโมทนึกถึงนึกนึกถึงเมื่อเห็นภาพคนจึงชอบในทางวัตถุแล้วไม่ใช่เจาะจงเฉพาะศาสนาพุทธลกศาสน า, าเป็นอย่างนั้คุณลองดูโบสถ์ดูมัสยิดทั้งหลายในโลกนี้เลยแพงมหาศาลเลยเนะฮะคนสละชีวิตทั้งชีวิตไปทำโบสถ์สร้างโบสถ์มันเป็นสุขแกนั่งดูทุกวันแกเห็น แก okay. ก็เป็นสุ ข, ขกังแกนะฮะเป็นเรื่องเป็นเรื่องอธิบายไม่ได้แบบเป็นเรื่องสัมผัสตรงที่คนอ่า น, นั้นก็สัมผัสแต่เขาก็เห็นเขาก็รู้สึกเขามีความสุขที่ได้ทำอย่างนี้นเป็นบุญเป็นกุศลเพราะงั้นเจตนาดีนะฮะแล้วก็ปัจจัยดีผู้รับผู้รับมีศีลมีกัลยาณธรรมพวกนี้ก็เรียกว่าทานที่ให้ดีแล้ว จะมีผลมี อ, นอันในสูงเช่นหนึ่งเราเป็นที่รักของคนเป็นอันมากสองเกียรติคุณที่ดีงามเป็นที่ยอมยอมรับยกย่องของคนทั้งหลายแล้วก็สัต์บุรุษทั้งหลายเมื่อจะคบผาก็คบห้าบุคคลที่ให้ทานดีแล้วจะเข้าไปในสมาคมใดกงงอาจกล้าหารเป็นผู้มีเกียรติในสังคมเหล่านั้นเราจะเห็นว่าอันนี้ผลที่เราเห็นในปัจจุบัน แลทรงแสดงผลอนาคตใกล้ๆเอาไว้ก็คือไม่หลงตายนะตายังมีสติตายยังสงบตายยังช่ำชื่นหน้าตาเบิกบานนะบางคนตายยิ้มนะคุณเย็นว่าบางคนก็ตายยิ้มเลยคนที่ทำบุญอะไรมากก็ตายยิ้มเลยแล้วก็ตายแบงไรบังเกิดในสุกติบังเกิดในสุกติโลกสวรรค์ก็ตามสมควรแก่แก่กรรมที่เขาทำเอาไว้นะฮะจะว่าเจาะจงไม่ได้แต่ว่า ที่แน่นอนที่สุดก็คือบังเกิดในสุคติเป็นผลเป็นานิสง์ที่ส่งแสดงไว้ทั้งสามช่วงและในขณะเดียวกันผลจากการกระทําอย่างนั้นมันก็เป็นบารมีเป็นฐานบารมีที่สะสมไว้ไปในจิตใจของบุคคลเหล่านั้นทรงสอนในแนวให้การบํารุงบําเรอคล้ายกับพรำบำเบือไฟบํารุงไฟนะฮะควา ม, ามบำเบือไฟต้ต้องระมัดระวัง หรือไม่เอาก็ได้นะทำมาหาในสุกก็ได้คือช่วยก็ได้ทำลายก็ได้ไฟเนี่ยไฟก็มีคุณนันนมีโทษมหันตกลงว่ามีไฟสามไฟสามสามกลุ่มนะฮะเจ็ดกองจะเห็นว่าการจุดไฟขึ้นเพื่อบูชาหัตดในพิธีของพระส่งสอนนี้ว่ามันบาปนะแต่คิดแล้วสั่งให้ทาก็บาปแล้วทาเองก็บาปแล้ว างั้นบาปทั้งกายทางวาจาทั้งใจอีกหนึ่งไฟภายในจิตเราเองนาจจะทำให้หมอดก็ได้นะทำให้ลุกโผล่เกินมาก็ได้ก็แล้วแต่แต่ก็ทรงสอนให้มองเห็นโทษแล้วยามลดความรุนแรงการเผาไหมาก้การลุกโผง่ของไฟราคะไฟโทสะไ ฟ, โ, ไฟโมหะลงไปจนถึงกระดับไปนะฮะกรดับไปมุนเลืองไกลมากีต่น้อยที่สุดก็ลดอย่ามันเผาไหม้เกินไป แล้วสอนไฟในรูปของการบำเรวบำรุงไฟบำเรวไฟก็ได้แก่มงาลวันเคลื่อนเนื้อหนอนนะฮะหมายความคนที่เกี่ยวข้องกับเราแล้วก็ผู้ใหญ่ผู้เป็นที่เคารพสักการะซึ่งอาหุนยักิกับทักินยักนั้นหมายทั้งพิที่เป็นพระเป็นขลาาุ่าแต่หมายความพวกปูเช น, เนี้บุคคลคือคนที่คกวรแก่า ก, การเคารพนับือทั้งหลายนะฮะ แล้วก็เราทำความดีกับท่านมันเกิดความดีแก่เราเกิดเป็นบุญเป็นกุศลเป็นอานิสงส์ที่อำนวยความสุขให้ทั้งในชาติปัจจุบันและในการภายภาคต่างเป็นพระธรรมเทศนาที่ทรงแสดงช้าๆนะฮะมาโดยลำดับอุคตะพรามเนี่ยอุคตะแปลว่าโยงสูงเนียฮะพรามสูงร่างกายสูงใหญ่ แล้วก็เป็นเศรษฐีใหญ่นะฮะบางครั้งร่บรวยมากเพราะงั้นเราเราจะเห็นว่าภาพที่ที่เป็นเน้นที่ที่ราคะราคะคิ้เทนที่จะใช้โลภะเนี่ยครับก็ทำให้เข้าใจชัดสหรับพรามคนนี้โราแกก็มีปัญหาในเรื่องเหล่านี้อยู่ตกลงว่าพรามพอฟังเทศเสร็จแล้วมึงเหนไ เห็นจริงตามนั้นก็สันเสริญ ธ, ธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าสามสี่สี่นิยยะได้แก่นี่นึ่งเหมือนหงายของที่ความปฐมมาที่ทรงแสดงนั้นเหมือนหงายของที่ความเปิดของที่ก็ปิดไว้แล้วก็บอกทางนี้คนหลงทางหรือจุดไฟขึ้นในที่มืดเพื่อให้คนมีดวงตาได้เห็นแสง เป็นเรื่องดีที่ก็ค่อนแปลกกันนะฮะเพราะเวลาการสันเสริมรรมาทำอภิษฎศสนาของพระพุทธเจจะสันเสริมแนวนี้ทั้งนั้นมันมันเป็นยุคสมัยที่ที่เรามองในแง่รอวติศาสตร์นะฮ ะ, ะในแง่รอวติศาสตร์ว่าสังคมยุคนั้นมันเป็นมีเกณฑ์ไปหมดเลยมันมีหลักมาหมดเลย <c oughs> ที่น่าคําก็คือคําด่าอย่างอีกมันเป็นชุดเป็นชุดเป็นชุ ด, น, ชดนะฮะ คำดา่าท่านิพบในบาลีมีอยู่สามชุดใหญ่ตอนหนึ่งหยาบมากนะที่พวกนางมาคันยาจ้างคนดา่าพระพคุณธิเจ้ามืองโกตมพีนี้คำหยาบมากคำดา่าหยาบมากคำดา่าของระดับพรไล่นะฮะพวกข้างถนนพวกแกลงถนนอันหนึ่งมันกระดา ก, กันในลักษณะกระทบกระทบ ชาตกระทบโคตรกระทบแท่อะไรแต่ไรเนี enza, engage, ่ยกระทบชื่อกระทบสกุลกระทบอาชีพกระทบการงานอะไรแต่ไรเนี่ยก็เรียกอาโกสวัรค์โกสวรรค์คำหนึ่งด่าเนี่ยมันมันมันมันตีความอย่างอื่นได้ตีความอย่างอื่นได้ก็เคยพบเวรันยพระพรด่าพระพุทธเจ้าเขาไมมาด่าบ่อยๆรอเพราะมันฟังยาก ฟังยากแล้วก็ค่อนข้างจะตีความในทางดีได้เจงก็ด่อาอัปปคัพโพอปปคัพโพแปลว่าเขาต้องการด่าว่าไม่รู้จะปุดจะเกิดนะะแต่อปะคัพโพนั้นแปลว่าปราศจากการบังเกิดในขันเป็นพระอรหันต์ที่ยุติการเกิดคือตีความเป็นอรหันต์ก็ได้ อากิริยะวาโดแปลว่าผู้ไม่กระทาความดีเขาต้องการด่าวไม่กระทาความดีแต่อากิริยะวะโดแปลว่ากล่าวการไม่ทําบ่าวก็ได้และแต่จะแปลเพราะ ง, งั้นคนไม่เคยเอามาด่ากันเท่าไหร่สูตรตรงนี้ก็เหมือนกันคือคือท่านสันสซินเป็นสูตรเป็นสูตรไปหมดแล้วลงปัวหมดไม่ไม่ว่าอะไรก็ตามเป็นเกณฑ์อย่างหนึ่งที่ที่ที่เราจะเห็นว่าในปัจจุบันนั้นคนเจ้าตัวเองเป็นเกณฑ์ แต่สมัยพุทธเจ้าก็าเรนิทานอวตตรีมันมีหลักมันหมดหลักตรงนี้ว่าจะ่าอย่างนี้อย่างนี้ย่ทุกคนพอถึงตรงนั้นแล้วก็ยอมหมดเลยครับไม่ค่อยเถียงไงก็ไม่ค่อยเถียงกันเถียงกันเฉพาะในกลุ่มคนที่ยังมีความขัดแย้งพอถึงระดับหนึ่ ง, งระดับพปโสรดาบันเนี่ยไม่เถียงแล้วคนสี่ประเภทนี้ไม่เถียงนะพปะโสรดาสกิตาคารนาคาราไม่มีเถียงพูดขึ้นมาจบลง เพราะแต่แล้วฝ่ายนั้นเข้าถึงตัวเนื้อหาสาระของสิ่งเดียนั้นเคจะหลากหลายด้วยภาษาพูดยังไงพูดไปนะฮะพูดเดยไปยังไงก็พูดไปพัดเข้าใจว่าสิ่งนั้นคืออะไรมันจับตัวเนื้อหาได้แล้วท่านก็ไม่ไปเถียงอะไรกับใครเอาสมมุติว่าจะมาวัตรนใครอธิบายเดินทางไหนก็ได้ก็ไม่หว่านเลยก็มองถนนออกนะมองถนนออกอคุณอยู่ในทิศหนึ่งคุณพูดถนนหนึ่งก็ไปหว่านอะไรพูดไปเอะเดี๋ยวมาถึงเองอ่ะ จมาถึงเย็อถึงแล้วก็จบนั่นคือเราเข้าใจเข้าใจมันมันทั้งระบบมันเลยมองเห็นภาพมองเห็นสิ่งต่างทั้งระบบแต่ในปัจจุบันนั้นรเราเห็นว่ามันจะถกเถียงกันแล้วหาข้อยุติไม่ได้ทดลองรายการดูรายการบางรายการฉันมองต่างมุมน่งคุณได้อะไรฮะเต็แต่ละวันไม่มีเคยได้อะไรฮะได้ความแตกแยก มีคนเทียงกันอยู่นั้นแล้วก็มีคนถือข้างถือข้างสองข้างอยู่ตลอดเห็นด้วยก็ไม่เห็นด้วยนะจบลงด้วยการไม่มีข้อยึดติดแล้วทุกคนก็ไปยึดติดตามตามความพอใจกับตัวเองซึ่งแนวที่ที่อะไรอ่ะพูะเจ้าทรงแสดงกะทีข้านักขากิเวสนะตั้งแต่นอ้นตั้งแต่ตอนตอน้ตน ทีทีขั้ะบอกว่าสิ่งใดควรแก่เข้าไปเจ้าเข้าไปเจ้าชอบใจสิ่งใดไม่ควรแก่เข้าไเจ้าเข้าไเจ้าก็ไม่ชอบใจหมายความมันก็อยู่ที่ชอบหรือไม่ชอบคนก็ใช้อารมณ์ตัวเองเป็นหลักแล้วก็หาข้อยุดติดไม่ได้แต่แนวแนวแนวในสมัยพุทธกาลมันมีมันมีการลงตัวในแต่ละเรื่องเพราะฉะนั้นการถกเฉียงปัญหาต่างๆจึงจึงน้อยนะฮะ วันนี้ก็ข อ, อยุติไว้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอ ค, ความเจริญงอ่งงามไปบุญในธรรมจะมีใ่ ท, ท่านสายชนละลายดูทุกกันทุกท่านเธอ